มันถูกครอบงำถูกครอบงำด้วยตัณหาคือความยึดติดใช่ไหมเพราะสภาพของตัณหาเนี่ยยึดติดหยึดติดอารมณ์ยึดติดเหนียวแน่นัหมถ้าสภาพของตัณหาเขาก็ยึดติดอารมณ์อย่างเหนียวแน่นยึดติดเหนียวแน่นจะนี้ที่ว่าแกะไม่ออกอย่างนั้นบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่า ทานกุศลเหล่านั้นนะนะไม่สามารถที่จะเดินออกจากตันหาได้เมื่อเดินออกจากตันหาไม่ได้เขาจะไปทําลายมัชชริยะไม่ได้เลยไอตัวมัชชริยะเนี่ยเขาแหละความตะนนีอะความตะนนีอะนั่นปิดบังทรัพย์สมบัติของตนที่ได้แล้วนะถ้าได้มาแล้วเนะ แล้วที่ได้อยู่มันก็ปิดอยู่ปิดเนี่ยแล้วก็จักได้ก็หวังด้วยนะไอม้มัจฉริยะเนี่ยมันหวังปัจจุบันด้วยใช่ไหมที่ได้มาแล้วด้วยแล้วก็จักอยู่เนี่ยนะแล้วก็จักได้ก็แปลว่าสมบัติที่ได้มาแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ที่กําลังได้เห็นไหมแล้วก็จักได้ด้วยไอม้มัจฉริยะเนี่ยมันจะปิดอย่างเงี้ย แล้วไอ้กรณีแห่งทานเจตนาเนี่ยนะเจตนาทานอย่งการที่เราสละไม่ขาดเนี่ยการที่เราไม่มีกุศลเจตนาที่แข็งแรงแล้วมันจะไปทุบมัจฉริยะลงได้ไงมันก็ทําลายเพราะกิจของทานนะกุศลเนี่ยโลภะสนละสังเนี่ยนะก็คือทําลายโลภะโดยตรงไงทำลายตัณหาโดยตรงไงคนที่ตัณหาเจริตยึดติดในวัตถุ กามทั้งหลายเนี่ยวัตถุกามเนี่ยมีหลายอย่างวัตถุกามมีหลายอย่างนะเช่นวัตถุกามที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตวัตถุกามที่มีชีวิตก็นี่ไงห่วงพวกพ้องญาติมิตรยังยึดติดกับเขาอ่ะถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยคนบางคนยึดเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้เหมือนพ่อแม่ ไม่ได้เรายังตายไม่ได้แล้วแล้วเป็นไงแล้วตายไปแล้วก็ต้องอยู่เพราะโลกใบนี้เป็นแบบนี้ในไหมในสัตว์โลกทั้งหลายเป็นกันอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนบ้างที่ออกมาว่าที่จะไม่มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมาล้มอ่ะที่ไหนไม่มีสุนัข ก, ก็มีใช่ไหมอวัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีเทวดาก็มีพรหมก็มีก็มีทั้งนั้นแหละแต่มันจะละประณีด ปานกลางหรือต่ำแค่นั้นแหละแต่สรุปแล้วที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละทีนี้ประเด็นก็คือถ้าโลภะเนี่ยมันยึดติดมันยึดแน่นอารมณ์อยู่นั้นแหะไอ้ตัวโลภะเนี่ยมันยึดมีอะไรมันยึดหดใช่ไหมมันไม่ยึดโดยคําพูดเนะี่ยใจมันยึดผูกไว้แล้วมันเป็นเครื่องผูกไว้แล้วเป็นตัวสังโยชน์ไว้แล้วผูกผูกยึดติดหมดไม่สามารถที่จะมองบุตรหลานญาติมิตรเนี่ยเป็นวัตถุทานได้เลย เป็นของที่ควรสละได้เลยมันสละออกไม่ได้มันแกะออกไม่ได้เพราะมองเป็นวัตถุกรรมวัตถุกรรมมันก็ให้สองส่วนแล้วให้อะไรให้อัศธาก็ให้อาทีนวะให้อัศธาก็คือให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินใช่ไหมให้การยึดติดและให้อะไรกันล่ะให้วิปลาสให้สัญญาวิปลาสไงความจําหมายคลาดเคลื่อนว่าเป็น บุตรเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกน้องเป็นทรัพย์สมบัติเป็นบริวารเป็นที่ดินเป็นตึกมันจําอย่างเงี้ยทิศถิวิปลาดก็เห็นผิดตามนั้นก็อีกว่าเออใช่เห็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมจิตตวิปลาดก็คิดผิดอีกคิดว่างามคิดว่าดีคิดว่าอยู่กับเราได้นานคิดว่าเที่ยงอ่ะคิดว่ามันได้สุขที่ถ้ายิ่งมีมันสุขใช่ไหมคิดวันเป็นของเรามันเป็นที่ไหนล่ะพ่อแม่ของเราคอนโทรนก็ไม่ได้ คอนทนก็ไม่ได้ตอนเนี้พี่บ้านนะคอนทรนได้ที่ไหนล่ะมีบัตรกันเป็นแถวเป็นแนวหมวดชีวิตเป็นแบบนี้ยก็เป็นสัตว์ที่ตายได้อะเป็นวัตถุที่สลายได้มันเป็นมาจากเหตุปัจจัยแต่เราจะไปฝืนเหตุปัจจัยเขาเข้าใจไหมลักษณะเนี้ยโลภามันฝืนถ้าโรพาต้องการฝืนมันโพรตรงไหนก็ตกแต่งตรงนั้นน่ะใช่ไหมเช่นมันชํารุดตรงไหนก็ฉาบทาตรงนั้น เอเน่ถ้าตึกมันชํารุดก็ต้องรีบแต่งแต่งแต่ให้ดูดีเอาถ้าหากว่าเออถ้าใครเกิดมีการหมู่คณะเกิดนั่นก็รีบไปตกแต่งก็ไว้ทําให้ดูดีก็ไว้ก่อนเอาถ้าภายในเหมือนกันหน้ามันเริ่มจะมันนั่นขึ้นมาก็แต่งแต่งแต่งแต่ก็ไว้ใช่ไหมตรงไหนมันก็ต้องรีบไปจัดการก็ไว้ไม่ได้ไม่ได้เริ่มโผล่ม่ใหญ่แล้วเนี่ยยิ่งโผล่ตรงนั้นก็โผล่ตรงนี้ก็โผล่เป็ดใหญ่กลัวความจริงปรากฏเพราะมันยึดติดไม่กล้าสละไม่กล้าสละ มองเห็นไหมว่าทานกุศลเนี่ยทานกุศลลองลองคิดนะว่าถ้าเราให้ทานมาตั้งแต่เกิดยันปัจจุบันนี้ถ้าถูกต้องจริงจริงสิ่งเหล่านี้มันถูกทำลายไปนานแล้วสิ่งเหล่านี้มันถูกทำลายไปนานแล้วเพราะทานเจตนาเนี่ยทานกุศลเ็าทำลายตัวนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมหมอเขาต้องทำลายตัวนี้ทำลายตัวยึดติดั้นไอ้ตัวนี้ เพราะบรมศาสดารู้ว่าคนราคะจริตคนตัณหาจริตเนี่ยต้องบริจาคทานไงต้องสละเพราะสละแล้วเป้าหมายคือว่าตัดทําลายโลภะละมัจฉริยะคนละกลุ่มเลยนะเนี่ยมันก็ทบไปถึงมัจฉริยะโดนถูกทําลายด้วยนะมันไม่หวงแล้วเพราะโลภะใช่ไหมเพราะไม่ยึดติดพราไม่ยึดติดอโลภะมาเป็นประธานขึ้นมาเบียเศษปุ๊บแล้วหวงของไหมไม่ไม่ตณีแล้วไอ้ที่ตณีทั้งนี้ย ต์นีลาบใช่ไหมมันมีต์หนีตั้งเยอะแล้วใช่ไมตนีตนีสีตนีเสียงตนีกลิ่นใช่ไหมต์นีรสตนีสัมผัสตนีทำมาลมอ่ตนียังไงตนีทํารม์อ่ะอตนีทาอารมตนียังไงดีเอาชื่อคิดอ่ต์นีทำอารมตนียังไงหมอตนีทำารมเนี้ยเนีย จะตนน์นีสมมตินะฮะต น, นีธรรมลมอะต์ น, นีสีใช่ไหมโอ้สีสวยไม่อยากให้ใครตนน์นีเสียงอมีเสียงไหมเนี่ยฮะ <c oughs> เห็นแล้วเอาไว้กล่าว <c oughs> ไว้กล่าวาพระธรรมไงใช่ไหมแล้วก็ตนน์นีอีกใช่ไหมไว้สวดมนต์อะ <c oughs> ตอนน์นีกลิน่นโอกลิ่นก็หอมไหมเนื้อเนี่ยต์ น, นีรส <c oughs> อะไรอะไรเราไปชิมทุกวันเลย <c oughs> รสอะไร ได้รถพระธรรมาจากการเห็นนี่ก็ติดอีกตานีสัมผัสโอยจับดูแล้วก็นุ่มมือด้วยอะ่ะไม่อยากให้ใครอะ่ะแล้วตานีทำอารมณ์อ่ะนึกไม่ออกเลยไหมนี่อภิธรรมไม่ออก <c oughs> <c oughs> นี่อภิธรรมไม่ออก <c oughs> อโปธาตุไงที่เกาะกลมอยู่อะ่ะใช่ไหมไม่อยากให้มันสลา ย, ยางไงถ้าไม่มีอโปธาตุก็ไม่เกาะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมตัวอโปเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมใช่ไหม ไหลหรือเกาะกลุ่มนี้มันเกาะกันอยู่ไงก็ตหนีไม่อยากให้พังไงไม่อยากให้พังไงเนี่ยก็มองอย่างนี้นี่ไงเพราะเรามองเป็นวัตถุกรรมแต่ถ้ามองเป็นวัตถุทานเนี่ยถ้าคนขอจะไปบูชาเนะี่น้อมเลยโอ้ยได้บุญแล้วนี่นะท่านนะจงเอาไปทำเป็นโรงงานผลิตบุญกุศล ให้เม็ดบุญเกิดจากการได้ดูได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้สวดมนต์นะให้ไหลทั้งวันทั้งคืนเลยนะอันนี้คือโรงงานแต่อย่าไปปิดนะเอาไปตั้งไว้ต้องเปิดโรงงานตลอดให้เม็ดบุญเนี่ยเกิดตลอดให้ผลิตให้เต็มไงนนะได้ไหมเนี่ยทำอย่างเงี้ยหมอเปิดโรงงานไว้เยอะไหมไม่ยอมเปิดเนี่ยมองหน้า ตอนนี้มองหน้าภรรยาเป็นโรงงานผลิตบุญได้หรือยังาหา้ามผลิตบาปไม่ใช่มองแล้วก็ราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดโทสะก็เกิ ด, กกดงุดหงิดฟุง้งซ่านยอมวรวาสเนี่ยใช่ไหมบ่นให้มาฟังเดี๋ยวนี้กรุ้ ม, มเนี่ย อันนี้เป็นว่าแสดงว่าภรรยาไม่สามารถเป็นโรงงานผลิตบุญได้อันนี้ตั้งจิตไว้ผิดหรือถูกตั้งจิตใหม่ใช่ไหมใช่ไหมกลับไปก็บอกนี่คุณคุณเน่เป็นโรงงานผลิตทานกนะุศลศีลกุศลภาวนากุศลของเราคุณอย่าไปไหนนะไม่ไม่ใช่คุณอย่าไปไหนนะถ้าคุณไปแล้วเดี๋ยวโรงงานเราพังหนึ่งโรงอ่ะเข้าใจปา อันนี้พูดให้เขาสบายใจใช่ไหมแต่ถ้าเขาจะไปจริงๆก็บอกเขาอย่างไรบอกอ่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าคุณไปเราจะได้ผลิตโรงงานภาวนากุศลไงเห็นความเสื่อมไปสิ да ้นไปสลายไปของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเข้าใจไหมอันนี้เรื่องจริงไหมล่ะโรงงานพังแล้วก็เห็นอนิจจาลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเข้าใจไอันนี้พูดจริงไหม จริงนะเนี่ยพูดไปตามคำสอนอ่าเพราะว่าจริงๆแนละ้วเป็นที่ตั้งของบุญได้ไงเพราะบุญจริงๆเนง่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่โรงงานเราวิจัยขาดแล้วเนี่ยแม้โรงงานคือวัตถุนี้พังแล้วแล้วก็มีวัตถุใหม่จะไม่มีวัตถุใหม่ที่เป็นที่ตั้งของบุญเป็นเหตุให้เกิดบุญอีกเยอะใช่ไหมคิดอย่างงี้ไหมอ นนคนที่มีวัตถุทานเยอะเนี่ยจึงเจริญกุศลแต่ถ้าคนมีวัตถุ ก, การมเยอะเนี่ยลําบากอัศธาก็เยอะอาชีนวะก็เยอะแล้วไม่มีนิสระออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดนิสรณะที่เป็นเหตุออกไม่ได้เขจะให้อย่างเดี๋ยวเนี่ยเรามองให้เป็นสิใช่ไหมแต่คิดไม่เป็นเนี่ยนะ เ, เราก็ตั้งเราก็ตั้งวิธีในการเจริญกุศลไม่ได้ พอเจริญกุศลไม่ได้ก็กลับไปบ้านก็บุญไม่เกิดอันนี้แปลว่าผิดแล้วใช่ไหมกลับในบ้านนั้นทานกุศลก็ได้ศีนกุศลก็ได้นะเนี่ยจารีสีนได้ทุกวนันใช่ไหมจารีศีนก็ได้ทุกวนันเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไปแล้วได้กุศลตรงนี้ก็คือว่าต้องสามารถที่จะวิจัยได้นะเนี่ยนะวิจัยได้อันนี้ต้องต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องหาคําตอบได้ในชีวิตจริง อันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงพวกเราเลยนะที่ยกมาเนี่ยอันนี้ถ้าเราไข่ครวญไม่ได้เนี่ยกุศลเจดนาไม่เดินเนี่ยระดับทานเกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลไม่เดินอันนี้ก็อย่างที่ว่าปารพนีปารพบสีปารพบเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมารมณ์ถ้าทำมารมณ์ก็อย่างที่บอกไว้แล้วกลัวที่สุดก็คือการสลายไปถ้าไม่มีการเกาะกลุ่มกันของไม้ใช่ไหมของเนื้อไม้อะไทั้งหลายเหล่านี้แต่สรุปแล้วคืออะไรสีเสียงกลิ่นรสสัมผัส แล้วก็ทำมาลมเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่พอมีพระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้เพื่ออะไรไหมจริงๆท่านจึงไม่ได้ขับเน้นที่ตาเนื้อเลยท่านขับเน้นที่ตาปัญญาคือหมหากุณ ญ, ญาณสัมบยุธ์นั่นแหละท่านขับเน้นตรง น, นั้นแหละแต่อย่างเราเนี่ยต้องอาศัยสื่อจากการเห็นสีเห็นสีก็เห็นพระรูปเนี่ยถามว่าเขาปั้นพระรูปหรือวาดรูป หรืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้จักว่าพระบรมศา ส, สดามีพระรูปอย่างนี้มีพระรูปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความงดงานของพระรูปนั้นยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้แต่ น, นี้จะได้เห็นว่านี่นะขนาดความสามารถของคนแต่ละยุคแต่ละยุคยังสามารถปั้นพระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้งามอย่างนี้แต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยฉับพันดังสีประดับไปด้วยม พระบุรกายของพระบรมศาสดาประดับด้วยมหาปุริสละขณาอนุพยัญชนะ80เนี่ยมาจากบุญมาจากบุญถ้าต้องการอยากจะดูความวิจิตของกรรมของพระบรมศาสดาก็ไปดูในลัคนาสูตรในทีคณิกายนะไปดูในลัคนาสูตรเพราะจะมีทั้งเหตุทั้งผลทั้งเหตุทั้งผลทั้งเหตุทั้งผลไม่ใช่ว่าเห็นผลแล้วไม่สามารถอธิบายเหตุได้ว่าทําไมพระบรมศาสดามีพระรูปอย่างนี้ ทำกรรมอะไรมาใช่ไหมทุกคนเนี่ยสามารถจะทํากรรมอย่างนี้ได้แต่ถ้าถามบอกว่าเข้าใจอย่างที่พระศ า, าสดาเข้าใจไหมถ้าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายรู้จากผลของทานกุศลอย่างที่ถถาคตรู้ที่จกไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นเป็นไม่มีฉะนั้นน่ะั้นทุกคนไม่เห็นอนิสงของทานกุศลว่ามีผลมากมีอนิสงมากใช่ไหม แต่มีข้อแม้ว่าต้องตั้งอัธยาศัยตั้งเจตนาตั้งจิตให้ถูกเขาเราียกว่าตั้งท่าทีให้เป็นถ้าตั้งท่าทีไม่เป็นแล้วเดี๋ยวก็วางจิตในการเจริญทานอกุศลน่ะติดขัดเพราะว่าทานอกุศลเขาทำลายเลยทาลายโลภะเพราะโลภะเป็นธรรมชาติที่ยึดแน่นในอารมณ์นะ่ยหนูก็ดุดกาวที่เขาติดลิงหรือดักลิงเข้าไว้นั่นแหละกิจราสตระก็คือการติดแน่นในอารมณ์อะ เหมือนชิ้นเนื้อที่โยนลงในกระทะที่ร้อนไงฉะนั้นสภาพของตันหานี่มันแกะยากอย่างนั้นน่ยฉะนั้นข้าน ว, ว่าคนตันหาจริตราคะจริตเนี่ยต้องเจริญทานอกุศลต้องสละถ้าไม่สละเนี่ยหมดสิทธิ์ตันหาไม่ถูกทบุบไม่ถูกทําลายไม่ถูกละเพราะกิจของทานอกุศลเนี่ยเขาทำลายตัวนี้โดยเฉพาะเลยพอโลภะถูกทําลายลงอโลภะก็มีกําลังเพระอโลภะมีกําลังมัชชริยะก็ ก็ถ่ายถอนเนี่ยก็ถูกถ่ายถอนมันกระเทือนไปถึงตัวมัฉริยะเห็นไหมเขาเรียกว่าเหตุก็คือสมุทยัยเนี่ยก็คือเนี่ยตัวเนี่ยตัวตัณหานี่แหละฉะนั้นกลุ่มตัณหาจริต ร, ราคะจริตเนี่ยเหมาะแท้ในการที่จะเจริญทานอกุศลใช่ไหมให้เป็นให้เป็นจาคานุสติให้เป็นจาคานุส ต, าาติอันนี้เป็นกรรมฐานไหมเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานเนีเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานดนะ้วย ตรงนี้ก็คืออาการปรากฏก็คือไม่สามารถทิ้งอารมณ์ได้เหมือนกับขมเมาน้ํามันที่ติดสนิทในผ้าติดแน่นเลยเห็นไหมตรงนี้เพราะการติดแน่นเนี่ยไอตัวมัชชริยะเราจะเห็นไงปิดบังทรัพย์สมบัติของตนที่ได้แล้วได้อยู่ไา้จักได้เนี่ยความอดทนไม่ได้ที่ทรัพย์สมบัติทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นทนไม่ได้แล้วก็อาการไม่อยากให้ทรัพย์แก่ผู้อื่นเลยถามว่า กรณีที่ไม่ให้ไม่อยากให้พ่อแม่บุตรภรรยาต้องจากเนี่ยเป็นอาการตาหนีหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมเรามีลูกเนี่ยลองลองไปพิจารณาดูสิตาหนีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมมีอยู่แค่เนี้ยจริงๆก็ไอ้นี้แหละไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมแต่พอไปบอกว่าลูกขึ้นมาเนี่ย โ, โหยุ่งเลยใช่ไหมถ้าบอกว่าหลานปุ๊บถ้าเขาจะบวชตลอดชีวิตนี่เขาเขามีแฟนนะอย่างเงี้ยนะต้องตาดาวไปนั่นนะ มีหลานด้วยป่าถ้าหลานบวชตลอดชีวิตยอมเหมวายอมเลยดืนึกว่าห่วงเห็นวันนั้นปอพาพูดพอเด็กจะบวชเขาจริงเขาบอกว่าเห็นดรระดาบอกว่าเอ๊เขายังมีแฟนอยู่ยอะไรอย่อางเงี้ยปรมาณนีประมาณนึกใจไปห่วงแทนเขาทำไมอ๋อไม่ได้ห่วงกันนะีนึกว่ากลัวสมาชิกในบริวารจะลดลง ถวายพระพุทธเจ้าได้บุญใช่ไหมเขาถ้าไปอยู่ใกล้ๆชิดพระบรมศาสดาเขามีสิทธิมะมะ์ได้ธรรมะมรดกไหมใช่ไหมได้ธรรมะมรดกมีโอกาสจะสร้างอัธยาศัยที่ได้โลกุตลามรดกใช่ไหมธรร ม, มะมรดกที่เป็นโลกุตราเนี่ยถ้าอยู่กับเราเขาอาจจะได้แค่อามิสมรดกใช่ไหมก็เกิดกลัวอยู่ในอามิตที่มรดกที่ไม่สะอาดแล้วก็ อาการที่อาการที่ขมก็คืออาการทำให้จิตท้อถอยไม่อยากให้รับตนแก่ผู้อื่นสภาพที่ผลก็คือไม่พอใจในความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนาะนะนะัมีสมบัติของตนเนี่ยเป็นประทฐานพวกมัจฉริยะเนี่ยมัจฉริยะเนี่ยมีสมบัติของตนนี่เป็นประทฐานฉะนั้นจะบอกว่าถ้าได้เห็นสมบัติอยู่ถ้าได้มีคือว่าให้มีสมบัติอยู่เอาไว้คิดถึงเอาไว้ดู เอาไวด้ดูเอาไว้ฟังเสียงเอาไว้ดมกลิ่นเอาไว้ลิมล้มรสเอาไว้สัมผัสเอาไว้คิดนึกแค่นั้นแหละบางครั้งเนี่ยไม่เห็นก็ได้แต่ขอให้คิดอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ก็ชื่นใจเนี่ยนะนี่แหละตัวมัจฉริยะพอคิดคิดเบ็ด เ, เสร็จโลภะก็มาเกิดต่อใช่ไหมโอ้ชื่นใจยังอยู่บางทีเอ๊ะพอทำทาย่์หายหรือยังโอเครียดเลยนะ เพราะคดนี่อยู่นี้เองเราชื่นใจแล้วเขาเปได้ไหมหาตั้งนานเนี่ยหาตั้งนานนึกว่าหายไปซะแล้วเนี่ยทําท่ามองไอ้ไข่ในมือของเราไปเนี่ยนหมอเป็นงี้ไหมไม่เป็นนะมีไม่สมบัติบางอย่างเป็นแบบนี้มไหมอ๋อยังมีอยู่นะนึกว่าเรียนวัฒนธรรมแล้วทบมัจริยะออกได้หมดแล้วเอางี้ถ้าภาษาพระเนี่ยอะไรที่ท่านหวงเนี่ยท่านจะให้ เอาที่ทำลายที่ตั้งของตัณหาตัณหาชอบสิ่งนี้ก็สละยึดติดสิ่งนี้ก็สละเอาที่ไปตั้งตรงไหนสละสิ่งนั้นน่ะเนี่ยเขายอมไหมตัณหายอมไหมยอมไม่กล้าเลยแต่เนี่ยบอกว่ายอมแล้วเอาที่ไปตั้งในสีสีนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมีปากาเนี่ยมีพระโอ้โหเขา ป, า, าปรารถนาปากาทันทีเลยใช่มน้อมถวายเลย สละนี่ทำลายที่ตั้งซะตัณหาหมดหวังทำให้ตัณหาหมดหวังเพราะตัณหาที่ชอบหวังชอบผูกพันทำลายที่ตั้งมันเรื่อยๆทำลายที่ตั้งเรื่อยๆขอไยใช้แค่คำว่ามันเนี่ยเนีทำลายที่ตั้งท่านตัณหาเรื่อยๆเพราะตัณหาเนี่ยจะมีที่ตั้งอยู่แล้วอาศัยที่ตั้งอยู่แล้วแต่ว่าในชีวิตของพระเนี่ยทำลายเลยเพราะปรารถนาจะทำลายอยู่แล้วที่ตั้งเขาขอให ขอแล้วให้เนี่ยเนียไม่มีคนขอยังหายังนึกอยู่เลยทําทําตัวให้เขาใขอให้ได้อะใช่ไหมทําตัวให้ก็ขอให้ได้ไขขไดนะมีคนขอนาะโอ้ชื่นใจนะนี่เป็นเป็นอย่างเงี้ยนะเอาไปบินธบาดมาเนี่ยนะมีพระอารมณหนึ่งท่านบอกอยู่ทั้งอยู่ทั้งพรรษาเนี่ยท่านไม่ได้บําเพ็ญทานกุศลโอ้โหท่านทุกข์ใจมากไปบินธบาดก็ได้แต่เข้าเหนียว แล้วก็ไปได้แต่อาหารประเภทที่เป็นไม่ดีเลยอ่ะได้อาหารที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมเอามาไปเสร็จก็บอกว่านิมนต์ครับเพื่อท่านต้องการบำเพ็ญสาลานิยธรรมใช่ไหมนิมนต์ครับนอกจากไม่ไม่รับของท่านยังบอกก็ดูทานของท่านก่อนสิ <c oughs> ใครจะไปเอาของท่านก็ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเขาโทรมาหนักเรานี่บุญน้อยจริงๆท่านก็เดินนะออกเดินบินาบาดจนน้องปวดนะ หาก็ไม่ค่อยได้ก็ว่างั้นนะจะได้ของดีๆเพื่อมาทำทานในกุศลทั้งพรรษานั้ยนะได้ทําไม่กี่ครั้งแกบอกใหม่ๆกําลังฝึกไงฝึกเรื่องทานในกุศลในข้อนี้ฝึกสารานิยธรรมเนี่ยเนะมอทุกข์ใจท่านว่งางั้นโอ้ฝึกมันมันมันเสียแล้วไงที่ไปทุกข์เนี่ยใช่ไหมเพราะเขาถ้าทุกข์ใจเมื่อไหร่เนี่ยทมนัดหรือเกิดเสียดายเมื่อไหร่เนี่ยต้องเริ่มเริ่มนับหนึ่งใหม่ไง แต่ว่ามนุษกันกั้นใจไม่ได้ทีว่าการถูกดูถูกตำหนิเนี่ยใช่ไหมที่เอามาวางเขาไว้ก็ไม่มีใครเอาฉันบอกท่านไม่มีใครเอาท่านหรอกบ <c oughs> ทีได้กล้วยมาลูกเดียวเนีได้กล้วยมาลูกเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ในป่าด้วยบินาบาดก็ยากใช่ไหมบ้านก็มีไม่กี่บ้านอย่างเงี้ยนะชาวบ้านก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาก็ใส่กล้วยลูกนึงบ้างข้าวเหนียวบ้างอะไรต่างๆเนี่ย มาเป็นสายการนิมนต์ครับผมทำเป็นสารานยธรรมครับทุกคนก็มองหน้าโอ้โหก็ดูอาหารของท่านดูทานของท่านก่อนที่เขาบอกกนเนี่ยก็ยังได้ความทุกใจก็บอกว่าทุกใจนี่คือคือปรารถนาจะทําลายที่ตั้งของของตันหาจะโทสะเกิดแทนอันนี้ก็ผิดอีกใช่ไหมแในโทสะเกิดแทน น, นี่เป็นอย่างงี้นะสภาพของโลภะนี่มันจะเป็นลักษณะว่าอะไรเป็นประทัดฐานของโลภะเขาไม่สามารถจะททดอะไรอ่ะอะไรอะไรเป็นเหตุใกล้ไอตัวนี้สำคัญมากนะถ้าใครคิดเหตุใกล้ของโลภะได้เนี่ยตัวทิฏฐิทิฏฐิที่ไปเห็นว่างามไปเห็นว่าดีอ่ะไปเห็นว่ายังพอซ่อมได้ ยังพอแก้ไขได้เนี่ยไม่กล้าสลาเพราะตัวชิ้นนั้ น, นมันพอซ่อมได้แก้ไขได้เนี่ยไม่กล้าไอตัวนี้ทิฐิตัวนี้เนี่ยไปกระตุ้นโลภะกระตุ้นโลภะแล้วทา น, นกุศลก็ถูกทําลายลงมันแข่งกันอยู่ใช่ไหมไอตัวโลภะกับตัวทา น, นกุศลเนี่ยทานอกุศลคือจิตทีท่คิดจะให้ไอตัวโลภะเนี่ยมันจิตทีท่คิดจะเอาไอจิตที่คิดจะเอากับจิตที่คิดจะให้เนี่ยใครแรงกําลังใครจะดีก็การใช่ไหม ถ้ากําลังจิตทีคิดจะให้ดีกว่าเนี่ยไอตัวโลภะก็ถูกทําลายไปเขาเรียกเขาแข่งกันอยู่ก็ยอมผมบอกยอมแล้วยอมแล้วตอนเนี้เราจะให้จิตทีคิดจะให้ยอมจิตทีคิดจะยึดติดจิตจะเอาอทั้งหลา ย, ยจะให้เรามีกําลังถ้าจิตทิคิดจะให้ก็คือเจตนาทานที่เป็นไปกมหากุสนฉะนั้นถ้าพูดกันว่า เจตนาในโลภะกับเจตนาในมหากุศลถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยนะดูจากวัดกําลังกันแล้วเนี่ยนะวัดกําลังวัดผลด้วยเนะี่ยอะไรมีกําลังมากกว่าฮะอะไรมีกําลังมากกว่าเจตนาที่ในมหากุศลนเะ่ยเป็นมหากุศลไงให้ผลได้มากกว่าตนเป็นเบื้องต้นของชนันอภิญญามาผลด้วยฉะนั้นก็มีกําลังมากกว่าเยอะแต่เสียดายที่เราท่านทั้งหลายไม่ได้ฝึก ไม่ได้น้อมไม่ได้ตั้งอัธยาศัยนั่นแหละถ้าตั้งอัธยาศัยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกำลังมากกว่าแค่เขาเกิดแค่นิดเดียวแค่นะั้นขนาดกูเล่นและโลภะสเถือนสถ้านหมดเลยนะแต่เราไม่เพียรพยายามในการที่จะเดินให้เขาเกิดบ่อยๆต่างหากแล้วกลัวบางคนกลัวหมดบางคนกลัวอดเนี่ยนะกลัวว่าจะไม่มีเนี่ย ไอความรู้สึกตรงนี้เพราะไม่เข้าใจผลของทานเหมือนที่พระบรมศาสดาบอกไว้ในอิติวะกะว่าถ้าใครรู้จักผลของทานอย่างที่ตศฐาคตรู้ที่จะไม่ให้ทานก่อนแล้วบริโภคนั้นเป็นไม่มีเนี่ยเราไม่เห็นผลเราไม่เราเรายังไม่ชัดเจนในเรื่องของกรรมผลของกรรมและผลของกรรมมีทั้งทิฏฐาธรรมเวทียกรรมอุปชาเวทียกรรมและอปราภระเวทียกรรมให้ผลในปัจจุบันพบด้วยหมอ ให้ผลในภพถัดไปด้วยให้ผลในภพที่สามเป็นต้นไปด้วยนี่เราไม่เข้าใจตัวนี้ยังไงถ้าเข้าใจอย่างที่พระตถาคตบอกไว้เนี่ยที่จะไม่ให้ก่อนนะไม่มีเพราะการให้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เบ็ดเสร็จแม้การให้ก็ยังต้องรู้เนียนะแต่เนี้ยเราจะวิจัยที่เป็นไปกับปัญญายังไงใช่มมีความเข้าใจในเรื่องกรรมผลของกรรมเป็นต้นยังไงเนี่ยมันชัดเจนตรงนั้น นันในรายละเอียดถ้าเก็บตรงนี้ได้เนี่ยทุกคนจะไม่มีเลยที่จะไม่สละยังไม่มีเลยที่จะไม่สละเส้าฟูดเรื่องนี้บ่อยต้องต้องคิดเส้นใต้ได้ไม่ใช่ว่ามาต้องการตรงนี้นะไม่ใช่เลยแต่ต้องการให้เราเข้าใจทานเนะ่ยองค์ของทานนะี่ยนะเข้าใจให้ชัดแค่นั้นแหละเป้าหมายคือตรงนั้นส่วนเราท่านทั้งหลายต้องพิจารณาใช่ไหมเอามาก็ไปฟองพระท่นสนท่านากระโย เีนี้มีโยมคนหนึ่งก็วันในชีวิตกันเนี่ยเรียนพระธรรมมาบาลีก็เรีย น, นพิธรรมก็เรีย น, นบาลีใหญ่แรงดังเนี่ยแต่เป็นคนตนหนีมากอันนี้ก็ไม่ต้องเอ่ยนามอะไรเลเอ่ยนามไม่ได้เพราะยังมีชีวิตกันทั้งหมดแต่นี้ก็แต่แต่จริงๆเธอก็เป็นคนกล้าเปิดเผยก็พูดไปไ ป, ไปมาก็บอกว่าคือความเข้าใจว่าเราบ่งเพ็นกุศลตัวอื่นก็ได้เราไม่ต้องทบมัจฉริยะก็ได้ มันก็สามารถที่จะพ้นทุกได้ของนั้นเถอะเนี่ยไอความเข้าใจตรงนี้นะคือมันคือพอความเข้าใจตรงนี้ก็มาเอามาก็เอามาก็หมดเอามาก็บอกอช่วยคุยนมะาก็นั่งฟังเอาเอาเทปบันทึกด้วยนะเอาบันทึกพักนั่นก็ไปรู้กันแล้วก็คุยกันบอกว่าคุยแบบแบบประเภทที่ว่าเอาเหตุผลนั่นเลยเขาก็ถามมานั่นไปถามมานั่นไปคุยเป็น เป็นชั่วโมงนะีคุยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไปเสร็จที่สุดจริงๆเธอก็เอากลับไปฟังแล้วก็คิดคิดมาได้ครึ่งคืนประมาณตั้งเที่ยงคืนเะนี่ยเพราะว่างั้นเข้าใจพอเข้าใจเธอบอกโอ้โหที่ทํามาเนี่ยสี่สิบห้าสิบกว่าปีแล้วผิดว่าไงผิดจริงๆที่เราตั้งท่าทีไว้การจะหนีในทางเนี่ยนึกว่าตนเองเข้าใจว่าทำเนะเรียนหมดทั้งปรมัตถธรรมก็เรียนใช่ไหมบาลีก่อนเรียน เนี่ยนะพระสูตรต่างๆก็เรียนวินัยก็เรียนเนี่ยเนี่ยโอ้เข้าใจผิดแท้บอกเลยเข้าใจผิดคือคือต้องคนน้อมที่จะฟังแล้วก็จะต้องทําความเข้าใจไล่มาตามลําดับจริงๆเนี่ยนะที่จริงๆแล้วก็เอาประกาศไปฟังด้วยนะสิ่งที่ตนเองพูดมาเหตุผลเพราะคนบางคนเนี่ยพอนั่นไปนั่นมาชอบชอบฉลาบหนีเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าตนเองแฉลาบได้เพราคําพูดตนเองก็ฉลาดเพราะมีข้อมูลคําสอนเหมือนกันใช่ไหม พอไปกลับไปฟังใหม่จะรู้อ๋อตอนนี้ตนตเองฉลาดหนีเขานี้เหตุผลตรงเนี้ใช่ไหม ท, ท่านก็ให้เหตุผลเรื่อยเหตุผลเรื่อยเหตุผลเรวยไปดำดันพอไปฟังเขาอ๋อรู้แล้วนี่มุมนี้เองตนเองไม่เข้าใจอ๋อถ้าเข้าใจทานอกุศลที่จะไม่ให้ทานไม่มีจริงๆนเอะไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้ก็ก็นี่มุมเนี่ยเพราะทิฏฐิเนี่ยคืออย่างนี้ตั้นหาในวิจิตมาก เวลาเราเรียนพระธรรมเรื่องทานเนี่ยมันก็จะมาเรียนรู้เรื่องฐานด้วยพอเรียนรู้เรื่องฐานมันก็จะซ่อนกลนวิจิตต่ออีกนะวิจิตต่ออีกแล้วในสู่จริงจริงมันก็มันก็ปรุงแต่งจิตเราใหม่อีกในสุดจริงๆมันก็ไปกล่อมเจตนาบอกเจตนาอย่าไปอย่าไปอยู่พวกนู้นอย่าไปอยู่กับกุศลเด็ดขาด น, นะว่าะงั้นนะข้อมูลทั้งหมดจริงๆเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าในคําสอนเนี่ยอาจจะไม่แน่ก็ได้ อาจจะไม่ใช่คําสอนจริงๆก็ได้พระอาจจะปรุงแต่งคำพูดขึ้นมาก็ได้เพราะยังไม่แน่ใจขอดูหลักฐานก่อน <laughs> ไปอีกเยอะมันไปอีกเยอะเรื่องตัณหาเอ่ยเรื่องโมหะเอ่ยเรื่องวิจิกิจฉาเอ่ยเนี่ยเนี่ยมันจะซ่อนกลนมันเรื่อยในส่วนจริงก็บอกว่าก็เหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เจตนาฐานก็ยังไม่แข็งแรงอยู่ดีมันจะเป็นอย่างนั้นแหะอกแต่ลดาวเป็นยังไงบตัณหาวิจิตไหมวิจิตใช่ไหม เป็นไหมหรือว่ากลุ่มตัณหาไม่ไม่วิจิตเคยสังเกตไหมตนเองเป็นราคาเจริตโทศาจริตโมหาจริญวิตตกหรือศรัทธาหรือพุทธิศรัทธาจริตหรือก็ใกล้ตัณหาเจริญนี่อันตรายหน่อยใกล้กันใกล้กันเนี่ยตรงเนี้ยถ้าศรัทธาจริญย่ีใกล้กันนะเนี่ยตรงเนี้ยนะถ้าศรัทธาจริญเนี่ยดีศึกษาพุทธคุณนักถาธรรมคุณสังฆคุณ โอ้โห oh. โอกาสขอยเป็นขอใเป็นศรัทธายริงจริงนะโอ้โห oh. อันเนี้ยเพราะว่าศรัทธาจะเป็นตัวนํากุศลธรรมทั้งหลายอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะก็เป็นทิฏฐินี่แหละตัวทิฏฐิอโยนิโสด้วยเนาะไอตัวทิฏฐิตรงนี้ก็คือว่ายึดอารมณ์ไม่เพียงแค่รับอารมณ์เท่านั้นแต่ต้องการยึดติดแน่นไม่ทิ้งอารมณ์ด้วยอำนาจการยึดติดแน่นด้วยตัณหาวันนี้ของเรา ฉะนั้นเวลาบอกนี้ของเราขึ้นมาเนี่ยนะก็ไปสอดคล้องกับมัชชริยะก็รับรับต่อเลยเพราะคนนี้ของเราก็ยึดติดใช่ไหมยึดติดโลภะก็รับอารมณ์เหมือนกาวเหมือนกาวดักลิงเ่ยยึดติดลิงไว้แน่นพอยึดติดไว้แน่นเบ็เสร็จแล้วเนี่ยตัวมัชชริยะก็มาปิดมุมไว้เลยไหมปิดห่วงไว้เลยไอ้ตัวโลภะยึดว่าของเราใช่ไหมแต่ตัวตณี ตัวตั น, นี่ก็เป็นกิจของมัชริยาไปตัวมัชริยาก็ทำกิจต น, นีนี่เป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เพราะตัวมัชชริยะเป็นไปกับโทสะเป็นไปกับโทสะเขาก็เกิดความตั น, นีทันทีแล้วไม่ไม่ปรารถนาก็คือทำกิจทำกิตว่าถ้าเสียสิ่งนี้ไปจะเศร้าโศกถ้าสิ่งนี้หายไปเนี่ย แค่มันจางสีไปยังเศร้าโศกเลยเข้าใจไหมเพราะมันเยอะไอ้โลภะก็ยึดติดมันก็จะจําโลกพันธุ์สันธารก็ว่ามีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นนักดูของเก่าเนี่ยก็ไปเรียนจนชํานาญเนี่ยนีเข้าเนี่ยเข้าก็โอ้เป็นระดับอาจารย์ใหญ่ก็เลยที น, นี้ก็โอ้นี่ต่างประเทศนะจนจะมีฐานาะเลยนี่ยนะจนมีฐานะจนโด่งดังมีชื่อเสียงประเภทที่ว่ามีการประกวด ระดับประเทศระดับอะไรเมื่อไรก็ต้องระดับนี้เป็นระดับปรมาจารย์ของเขาด้วยนะต่อมาก็รับลูกศิษย์หลังจากมาตนเองอายุมากขึ้นแล้วก็รับลูกศิษย์เขาก็บอกว่าก็มีวัตถุอยู่ชิ้นใช่ไหมเป็นที่ชิ้นที่แปลจะต้องมีการขายกิจกรรมทอดตลาดกันในทุนนองแต่แพงที่สุดนี่นะใครจะต่อจากตนเองที่เป็นศิษย์ก็ต้องมาประมูลของอย่างชนิดที่แทบอย่างมากเลยแล้วคนนั้นก็ ยุดกิจการในการเป็นคนเก่งไปไอ้คนนี้ก็เก่งสืบทอดก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบคนอื่นต่อไปเนี่ยนะเขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งก็ด้วยความว่าไอ้ของชิ้นนี่เราประมูลมาเนี่ยมันเป็นของตกทอดมาหลายชั่วคนว่าเก่าแก่ที่สุดก็ไปซองดูตรวจสอบน่ะเข้าไปเห็นรอยอ่ะหมอเอ้มันมีรอยอะไรติดอยู่เนี่ยพอไปพอดีแล้วมันมันมันตกมานิดเป็นปูนพลาสเตอร์ แปะยอยู่จึงรู้ว่าจริงๆแล้วออโดนหลอกโดนหลอกนี่หวงสุดๆเลยนะไอ้สัตัวจรินเนี่ยก็เลยมารู้ว่าอ๋อจริงๆเป็นงี้แกก็เลยใช้เวลาซ่อมอยู่เป็นเดือนเลยนะฝีมือก็ต้องเก่งด้่ไหมแล้วก็มีการทอด ขายกจิจ ก, กรรมอันนี้นะแล้วก็มีการปลึกลุกธิ์ก็ที่คนที่จะไอรวยๆทั้งหลายเราเนี้ยนะแล้วก็มีที่จะดูต่อตัวเองแล้วก็ขายต่อแล้วตัวเองก็เลิกเลิกวิชาเลิกอาชีพนี้อะไรเงี้ยนะเออเป็นเป็นวิชาที่หลอกกันมาตามําดอบนี่นะไอเนี้ยจริงก็คือนี่ยแหละติดพวกสีเสียงกินรสสัมผัสนี่นะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าทามองอย่างนี้ก็คือว่าตัวทานกุศล ที่เราจะศึกษาตรงนี้กันก็คือว่าขับเน้นในเรื่องของการว่าสัตินทรีย์ต้องแข็งแรงวิริยินรีสติินรีสมาตินซีนซปัญญินซีเนี่ยนะสรุปก็คือชันทา้าวิรยิยะจิตตาและปัญญาเนี่ยต้องต้องแข็งแรงนั่นเองเพราะถ้าฉันทา้าวิรยิยะจิตตาปัญญาเนี่ยเข้มแข็งนะก็จะสามารถที่จะเขาเรียกมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะกระตุ้น คุณจะทำสูงๆต่างๆให้เกิดขึ้นมาได้ทีนี้กายกรรมกรายกรรมที่ขณะที่ดําเนินไปเพื่อจะบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นเหล่านี้เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลใช่ไหมวจีกรรมในขณะนั้นเบ็ดเสร็จบูชาพระรัตนตรัยก็สั่งบุตรหลานหรือญาติมิตรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใช่ไหมนะเพื่อไปบูชาพระรัตนตรัยกันอันนี้วจีกรรมก็เป็นทานกุศลปารบวัตถุ ดัมบิไม่ให้กายกรรมและมโนวจิกรรมเนี่ยเคลื่อนไหวอันนั้นก็เรียกมโนโกรรมที่เป็นทานเดีกุศลพอมองเห็นไหมอย่างเงี้ยทีนี้ปารบสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์อาต่อไปถ้ามองอย่างนี้จะเห็นทีนี้ศีลจำแนกยังไงศีลจำแนกยังไง